บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริ้มรสกายถูตกต้องเย็นร้อนนัดแข็งตลอดตั้งการเหนียวนึกตรึกนึ ก, นกถึงอารมณ์ทั้งหลาย ในกรณีที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสมาโดยลำดับนั้นเห็นได้ว่าตามปกติแล้วสภาพจิตใจของคนเรากระับรู้ได้ทั้งหมดคือทั้งส่วนที่เป็นกิเลสทั้งส่วนที่เป็นกลางกลางและส่วนที่เป็นธรรมกการกำหนดวินิจฉัยตัดสินว่าเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพิ่มขึ้นหรือกิเลสลดลง หรือกิเลสตกไปจากจิตอยู่ที่ประสิทธิภาพของจิตปรจิจจใจของบุคคลนั้นนั้ น, น, นมีคุณธรรมเป็นฐานรองรับมากน้อยแค่ไหนเพียงไรโดย ท, ทั่วไปแล้วก็มีลักษณะที่ทรงแสดงไว้เป็นพื้นว่าคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่เข้าถึงฝั่งคือพนิพานได้ คนส่วนใหญ่ก็จะเลาะๆฝังไปคือไม่ถึงก็ขึ้นฝังได้แต่ไม่ถึงก็จมน้ำตายในสภาพสังคมเป็นเช่นนี้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงทรงแสดงลดหลั่นกันขึ้นไปแม้จะแสดงถึงสภาพที่สูงสุดก็กลายเป็นแรงผลักดันกระตุ้นเตือนให้คนพยายามกระตือรือร้น ใช้ความเพียรพยายามที่จะสำลักสัมผัสขลในระดับนั้นๆแต่พอถึงขั้นของการปฏิบัติจริงจะมีลักษณะเหมือนการเดินทางจะเราเดินทางไปในสถานที่ใดที่หนึ่งมันก็ต้องมียานพาหนะเป็นเครื่องอาศัยแล้วก็ผลัดเปลี่ยนยานพาหนะเหล่านั้นไปโดยลำดับตลอดระยะเวลาที่เดินทาง ก็ต้องอิงอาศัยญาณปั ะ, ะเหล่านั้นตลอดไปเราจะทิ้งภาชนะจริงภาณะจ ร, จ, รจริงก็ต่อเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางการบาเป็นเพียนปฏิบัติทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งก็ต้องอิงอาศัยเข้าไปเพื่อจะผลัดเปลี่ยนญาณภาณะที่มีความประนีตมากึนขึ้น จน ถ, ถึงจุดหมายสูงสุดคือมรรคผลนิพพานก็ต้องทิ้งยานภาณะเหล่านั้นอย่างในกรณีของรูปปราคะาอรูปปราคะที่ทรงใช้ในเรื่องของสังโยชน์นั้นในกรณีที่เรียงลำดับอย่างนี้หมายความว่ารูปปราคะอยู่ในอันดับที่หกขององค์ธรรม รูปราคานั้นจะหมายถึงความรู้สึกพอใจติดใจในความสุขที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการมาเปลี่ยนเปี่ยนทางจิตได้แก่การพอใจติดใจในรูปฌานที่เป็นผลออกมาเป็นความสุขเป็นความปีติเป็นความสงบลักษณะของสุขตัวนี้จะเด่นชัดมากอยู่3ามอย่าง คือลักษณะเอิบอิ่มลักษณะเป็นสุขลักษณะสงบเป็นสัมผัสที่ยากจะสัมผัสได้เพราะตามปกติแล้วจิตใจของเราต้องรับรู้อารมณ์เป็นหนักมากและส่วนใหญ่ก็จะกิเลสมักจะเกิดขึ้นเสียมันสุขระดับนี้ต้องอาศัยการมาเป็นเพียรที่ต่อเนื่องยาวนานประสมควรจนเข้าถึงระดับสมาธิและระดับฌาน ที่สัมผัสได้โดดเด่นก็คือระดับของทุติยฌานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าทิฏฐธรรมสุกวิหารหมายความว่าเป็นสภาพจิตที่ก่อให้เกิดการอยู่อย่างเป็นปกติสุขในปัจจุบันคือในขณะนั้นๆหมายความว่าในขณะใดที่ใจได้เดินไปถึงจุดนี้บุคคลจะสัมผัสปิติสุขและสงบอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนยยปกติธรรมดาจะไม่ได้สัมผัสและแม้แต่เลยขึ้นไปกว่านั้นลักษณะปีติโรเจนเราก็จะจดับในเือแต่สุขเอกะ ก, ะกะตาหรือแม้แต่บางทีสุกเองก็หายไปนั้นเหลือระดับของอุเบกขากับสมาธิคนตัวที่รู้สึกทำให้ติดมากเนี่ยจึงกลายเป็น ค, คกล้ๆกับเป็นเหยื่อเป็นอมิตรอย่างนด็ด ตานองกล้ๆเราเดินทางไปเพื่อสู่จุดหมายปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วต้องผ่านบ้านผ่านเมืองที่มีความสวยงามวิจิตริสัดานสะดุกสนานเราก็เที่ยวแวะลงดูเพลิดเพลิอพอนอยู่ในสถานที่เหล่านั้นตัดวันประกันพุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนอยังไม่ยอมจากไปมันก็ให้เกิดสิ่งที่เราเรียกอัศรธาคือความชื่นชมยินดี อันที่จริงก็ถ้าเทียกบกก่อนเดินทางก็ดีกว่าก่อนเดินทางจะเทียบถึงปจุดหมายปลายทาง ม, มันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะคำสอนในแนวฟอกพวกรู ป, ปราคะคือความกาหนัดในรูปนั้นเราจรึงสังเกตได้ว่าจะมีการเรียงลดหลั่นกันขึ้นไปก็มีสิ่งที่ดีกว่าประณีตกว่า ไอ้ทิ้งทรงนี้เปไปคว้าทรงโน้นไอ้ริงทรงโน้นไปคว้าทรงโน้นไปเรื่อยๆก็ทํานองเปลี่ยนญานภาณะดังกล่าวแล้วเวลาท่านเรียนโดยพิสดานก็เรียงไปมากแต่เราพบหลักฐานชั้นบาลีพูดถึงอบายภูมิพูดถึงมนุษย์พูดถึงสวรรค์พูดถึงพรหมโลกพูดถึงอรูปภพมีถึงสาสองระดับ ในสาที่สองระดับนั้นถ้าเราดูที่จิตแล้วจะเห็นได้ชัดว่าปริมาณของกิเลสยิ่งมากภูมิจิตยิ่งต่ำชั้นจิตยิ่งต่าปริมาณของกิเลสยิ่งลดภูมิจิตยิ่งสูงชั้นจิตยิ่งสูงจนถึงมีอาการที่โดดเด่นปรากฏแก่จิตคือปีติสุขและสมาธิอย่างกล่าว ตอนนี้พิงดูตัวอย่างง่ายๆในจิตใจของเราเองและในจิตใจของเราแต่ละขณะนั้นที่จริงก็มีภพมีภูมิมีภูมิจิตมีที่อยู่ของจิตมีที่อิงอาศัยของจิตอยู่บางขณะเวลาที่มีอาการของกิเลสปรากฏขึ้นมากทําให้จิตใจเราตกต่ํามองสิ่งทั้งหลายรอบตัว รู้แล้วแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางรำคาญหงุดหงิดไม่พอใจไม่ยินดีในสภาพแวดล้อมอนั้นแต่ว่าจิตใจของเรานั้นเองเพียงแต่คนละขณะและอาจจะอยู่ในสถานที่นั้นแล้วในขณะนั้นมีความโปร่งเป่าเพิ่มขึ้นก็หมายความอากิเลสนั้นได้ลดน้อยถอยลงจิตใจจะสัมผัสความปิติความสุขความสงบในระดับหนึ่ง แม้จะไม่เป็นเรื่องของสมาธิก็ตามในขณะนั้นภูมิธรรมปรากฏอยู่ภายในจิตสูงทําให้ภูมิจิตเราสูงมองสิ่งทั้งหลายด้วยความวางเฉยก็ได้ด้วยการปล่อยวางก็ได้ด้วยความไม่ยึดมัน่นถือมันก็ได้ด้วยความเมตตาสงสารก็ได้โดยการยอมรับสภาพความจริงก็ได้ท่า น, นี้ขึ้นอยู่กับเป็นเรื่องของอะไร ตัวอย่างเช่นเราต้องการพักผ่อนหรือกำลังจะนอนหลับก็มีสุนัขเขาหอนฟัดกันกัดกันเสียงลั่นไปหมดในขณะนั้นถ้าจิตใจเราไม่ค่อยปกติคือหงุดหงิดรำคาญอยู่ก่อนอาจจะต้องลุกขึ้นออกไปจากห้องร่วบ่งภัยบูนหรือทะเลาะกับสุนัขด้วยแต่ถ้าเรามีเหตุผลมีสติปัญญาจะคิดในอะไรในแง่ของธรรมดา ก็ธรรมดามันก็เป็นอย่างนั้นเองสุนัขเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นแต่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นสุนัขนั่นแสดงว่าเป็นการมองในแง่ของธรรมดาเป็นการมองในรูปของสภาวธรรมแต่มันเป็นไปด้วยเงื่อนไขด้วยเหตุปัจจัยของเขาเมื่อเงื่อนเงื่อนไขปัจจัยเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นเขาอย่างนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของเรา ในเรื่องของเขาแล้วเขานั้นก็คือสัตว์เป็นธรรมชาติเขนกเป็นอย่างนั้นเมื่อเรายังไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเขาเป็นใจก็จะหยุดเอาไว้ที่ตัวเราในขณะ น, น, นี้เรามีหน้าที่อะไรจะอ่านหนังสือจะนั่งสมาธิจะไหวพระสวดมนต์หรือจะนอนก็นอนเรารับผิดชอบในส่วนที่เรารับผิดชอบแต่ จะเห็นว่าความเร่าร้อนความดิ้นรนของจิตมันลดลงอย่างน้อยก็อยู่ในห้องคือไม่วิ่งออกไปข้างนอกข้องแล้วเมื่อพยายามควบคุมให้อยู่เช่นสมมติเราเอาบทพุทโธมาภาวนาตอนภาวนาพุทโธไปเรื่อยเราก็หลับหลับทั้งทั้งที่สุนัขอย่งางฟาดกัดไม่เลิกแต่เราก็หลับไปได้เพราะว่าเราใจเราไม่เอืดม หรือบางทีนั้นแม้บางเหตุการณ์ต่างๆมันว่าวุ่นสับสนเรืเกินถ้าขาดการควบคุมจิตได้ดีก็จะไปกันใหญ่เราก็ควบคุมจิตเราไว้ได้บ้างบางทีควคุมไม่ได้จะเห็นความแตกต่างของภูมิธรรมกับภูมิจิตซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมายความว่าถ้าภูมิธรรมมันมากแสดงว่าอาธรรมมันน้อย ทำให้ภูมิจิตมันสูงขึ้นสามารถจะยกจิตเหนืออารมณ์ต่างๆได้อารมณ์นั้นคงเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าเราไปเลิกละอารมณ์เ้าได้อารมณ์มก็เป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าเองระทางก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์เราไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่เรายกจิตขึ้นเหนืออารมณ์เราดันตำหนองอะไรทํานอง้ายกับโคลนตมมันก็มี แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เพื่อนครุนตเรานั้นแล้วก็เดินไปไหนมาไหนได้โดยความสวัสดิ์ีแล้วจากการเรียงในแนวนี้เองเราจึงพบการเรียงไว้ว่าคําสอนบางระดับทรงรู้ผู้ฟังว่ามันไปได้แค่มนุษย์สมบัติเท่านั้นเองก็จะเน้นที่ตัวมนุษย์สมบัติแต่มนุษย์สมบัติที่จริงก็ไม่เน้นสุดยอดอะไรบางทีก็เน้นแข่งมดเว้นไปก่อน เอางินเวรนอาบายมุกไปก่อนคนคนนี้มีปัญหาเป็นนักดื่มสุราสกัดกันทำยังไงแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนตรงนี้ไม่ได้พูดถึงนิพพานแต่พูดถึงความสุขความสงบ ค, ความปีติที่จะเกิดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เลิกพวกอาบายมุกตหล่านี้ได้บางทีก็จะมีความประดิษฐ์ขึ้นไป จนสอนออกมาเป็นรูปของศีลอันนั้นยงศีลก็คืองดเวน้นงดเว้นพฤติกรรมที่เลวร้ายรุนแรงซึ่งก็มีอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าประสูติมีอยู่ตั้งแต่โลกมีคนเกิดขึ้นในโลกมันก็เบียดเบียนกันอยู่แล้วในชั้นนี้ก็แก้แก้ครั้งแรกที่จริงมาแก้ไม่ให้เราเบียดเบียนเขาก็เราเราคงไปแก้ไมาให้เขาเบียดเบียนเราไม่ได้ คนเบียดเบียนก็คงเบียดเบียนแต่ว่าจะลดความรุนแรงลงไปบ้างสําหรับคนซึ่งไม่มืดตื้อตอจนเกินไปคนนี้เรามองย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงจริงๆแต่ก็มีคนเบียดเบียนเยอะเรื่อเกินภาษารีบุตรไปนั่งเข้าสมาบัติอยู่เฉยๆไม่เดือดร้อนใคร ก็มีคนย่องมาข้างหลังตีหัวท่านท่านเดินเที่ยวบินทบาตพรามได้รู้ข่าวว่าพระธีระไม่โกรธเคืองใครแกข้องใจสงสัยว่ามีหรือคนในโลกนี้จะไม่โกรธเคืองคนก็ไปแอบซุ่มอยู่ที่มุมหนึ่งพอพระเดินผ่านตีหัวเลยนี่เราจะเห็นว่าพระสารีบุตรท่านก็ข้ามใจท่านได้ แม้แต่ความคิดประทุสร้ายก็ไม่มีแต่จะห้ามคนอื่นเนี่ยคงจะยากเพราะอะไรเพราะในกระแสของสังสารวัตรจริงๆบางทีมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องวิบากกรรมที่เราจำเป็นจะต้องชดใช้จาเป็นจะต้องยอมรับสมมุติว่าเราสืบที่ไปที่มาไม่ได้ก็สารนิทานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นวิบากกรรมหรือถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยก็ทำก็คนเดียว เราไม่จำเป็นจะต้องลดตัวลงไปทำอย่างที่เขาทำไม่ลดลงไม่ตัวไม่ลดตัวลงไปช่วยอย่างช่วยอย่างที่เขาช่วยเพราะแนวหล่านี้เพิ่งสังเกตว่าไม่ใช่แนวที่ดับกิเลสเด็ดขาดแต่เป็แนวที่คุมใจเราในขณะนั้นเพื่อทงสอนให้ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ คือคนอื่นเนี่ยเขาโกรธแล้ว<ๆ>ญญเขาก็แสดงอาการของผู้โกรธออกมาโดยการด่าดโดยการพูดกระทบเปรียบๆกระเทียบเปรยอะไรก็ตามในขณะนั้นจริงๆแล้วเขามีมนโนทุจริตแล้วพูดหยาบออกมาก็เป็นวินจิทุจริตแล้วแสดงอาการกริยาคุกคามก็เป็นกายทุจริตแล้วแต่ว่าเราตนนั้นยังไม่ทุจริตถ้าปัญญามันเกิดทันตรงนี้แล้วก็ห้ามความคิดเอาไว้ ไม่พูดชั่วอย่างที่เขาพูดไม่ทำชั่วอย่างที่เขาทำไม่คิดชั่วอย่างที่เขาคิดเราก็รักษาความเป็นคนดีเอาไว้ในจุดนั้นส่วนจะนานหรือไม่นานก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่คุณภาพทางใจเรามีกำลังมากพอเราก็รักษาไว้ได้นานๆถ้ามีไม่มากอย่างน้อยมันก็แก้ปัญหาในจุดนั้นหรือว่าลดความรุนแรงในจุดนั้นลงไปเป็นแนวค่อยๆขูดครา ค่อยๆเกิดความสงบะงับแล้วจนแสดงออกมาที่เป็นช่วงยาวๆในช่วงขอสังสารวัตเราเห็นว่าช่วงยาวที่จริงก็คือกันหมายความว่าภูมิจิตยิ่งสูงคือภูมิธรรมยิ่งสูงพบที่อยู่ก็จะสูงขึนซึ่งข้อนี้ให้ลองสังเกตเราดูพบที่จิตคือที่อยู่ของจิตเสียก่อน จะนนมีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเกิดขึน้นเราก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่กระโจนเข้าไปร่วมกวับเขาก็าด่าดกันเราก็ไม่โจนเข้าไป ด, าด่าไม่กระโจนเข้าไปทะเลาะไม่มีอารมณ์ร่วมกวับเขาเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นหรือดูง่ายๆดูที่การดูการแสดงดูละคร อ, อะไรต่างๆก็ตามบางคนดูในแง่ของความเป็นศินละปะ ดูในแง่ของความคงคายการใช้ภาษาการแสดงในแง่ของศิลปะแต่บางคนจิตใจไปร่วมไปถือคนนั้นคนนี้เป็นพระเอกของเรานางเอกของเราเกิดไม่ชอบตัวโกงตัวขี้อิจฉาขึ้นก็โกรธกับเขาด้วยก็ร้องไห้เขาด้วยทะเลาะเขาด้วยจิตใจก็เปลี่ยนแปลงตามเขาด้วยนั่นแสดงให้เห็นพบจิตมันต่ําโดยลืมไม่ว่านั้นที่จริงเขาแสดง คนนั้นเศร้าโศกเสียใจทั้งหมดเป็นการแสดงแต่เรานั้นจริงเราโศกจริงเราเสียใจจริงเราโกรธจริงคนละานั้นเขาแสดงเสร็จแล้วก็ได้เงินเราจริงแต่เราก็เสียเงินด้วยแล้วก็เสียสุขภาพจิตด้วยเสียสุขภาพกายด้วยเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความคร้อยสัมพันธ์กันระหว่างคุณธรรมความภูมิธรรมภูมิจิตแล้วก็พบ คือเรือนคือที่อยู่ของจิตเพราะถัเวลาเรียงยาวๆก็เรียงเป็นกามาพบที่มันมีความประณีตขึ้นไปคุณภาพภายในจิตจริงๆก็คือว่ากิเลสท่านลดน้อยถอยลงเราพบปัญหาชู้สาวในสวรรค์สองชั้นคือจาตุมาราชกระดาวดึงปัญหาเรื่องเทพบุตรเทิดาวุ่นๆเนี่ยก็มีสวรรค์สองชั้น ได้สีชั้นไม่มีข่าวไม่มีเอกสารหลักฐานถึงการยื้อแย่งเทปติดาถึงการต่อสู้การปราดประหารกันนั้นแสดงเห็นว่าภูมิธรรมท่านสูงขึ้นภูมิจิตท่านสูงขึ้นพบที่อยู่ตัวท่านเองก็สูงขึ้นซึ่งบางครั้งทรงชชยคำว่าสัตววาดบางวิญญาณทิติบางสัตววาดเราคือที่อยู่ของสัตว์วิญญาณิติก็คือที่ตั้งของวิญญาณ พอถึงพรหมโลกเนี่ยกามราคะไม่ใช่หมดหมันสงบเป็นลักษณะการสยบ ก, กิเลสไว้การข่มกิเลสเอาไว้ตอนพรหมโลกจึงไม่มีเรื่องของเพศไม่มีอาการของโลภะไม่มีอาการของโทสะมีอาการของปีติมีอาการของความสุขมีอาการของความสงบ เป็นส่วนใจของท่านถ้าถามากับคนอื่นท่านมีเมตตาครานนี้ท่านสานทั้งหลายลองนึ ก, นกดูตอนที่พระพุทธเจ้าสัสรู้ใหม่ๆทองพิาจารณาดูสัตต์โลกว่าไม่มีปัญหาในแง่ที่จะสั่งสนธรรมะนั่นละเอียดคนมันหยาบธรรมะส ง, งบคนไม่ส ง, งบธรรมะลึกซึ้งคนตื่นไม่ต้ น, นี้ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนติดอยู่ในอะไรคือกรรมคุณแต่ธรรมานั้นต้องการจะดึงจิตคนออกจากอะไรคือกามาคุณมันไปกันไม่ได้จนต้งแสดงว่าเกิดท้อพระทยที่จะสอนธรรมะคือกลัวจะไม่ได้ประโยชน์อะไรในขณะนั้นถ้าพูดถึงแง่ธรรมะมันก็คือกรุณาพระมหากรุณาคุณที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการจำแนกสัดออกไป แต่แง่ได้เป็นบุคลาธิฐานหรือยกตัวอย่างบุคคลขึ้นมาท่านเล่าว่าสามบดีพรมได้ทราบพระปริวิตกของพระพุทธเจา้าแล้วนึกในใจว่าโลกพินาศแล้วโลกสิ้นายแล้วโลกเสื่อมแล้วพระผู้มีพระพรภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยจะไม่สอนธรรมแก่โลกแล้วเราก็รีบมาเฝ้าเพื่อกราบทูลรัตนาให้ประกาศธรรม แกสัตว์โลกนี่แสดงเห็นว่าต้องการจะให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์จากธรรมะท่านเองจึงเป็นเหมือนคนที่ได้กินของอร่อยแล้วมีความอิติมีความสุขมีความส ง, งบอยู่แล้วก็อยากที่จะให้คนอื่นได้ด้วยที่โน่ น, นควนขวายได้ด้ดยตัวเองก็ทำ แต่บางอย่างเราก็ดิ้นรนขวนขวายโดยตัวเองไม่ได้การทำโดยตัวเองไม่ได้เราไม่มีขีดความสามารถพอก็เป็นคนประสานงานเป็นคนช่วยเหลือจากกิจกรรมลักษณะนั้นให้คือขึ้นอย่างการขวนขวายพยายามของท้าสมบดีพรมคนนี้จะเห็นได้ว่าถ้าจิตใจเรากิเลสไม่ได้จางลง หมายความว่าภูมิธรรมไม่ได้สูงขึ้นภูมิจิตไม่ได้สูงขึ้นพบจิตยังไม่ได้สูงขึ้นเราสัมผัสสิ่งดีงามอะไรก็ตามเนี่ยจะหวงจะสนิจะโลภจะไม่ยอมแบ่งให้ใครแล้วก็มองก็ดืดเป็นศัตรูเลยทนไปควรจะมายื้อแย่งควจะมา ทำลายเข้าของทรัพย์สินเงินทองของตนเราจะเห็นสภาพจิตทั่วไปที่บางครั้งบางคราวแม้คนภายในบ้านมีเข้าของมีค่าก็ไม่ยอมให้ดูไม่ยอมไม่เห็นปกปิดซ่อนเร้นตัวเองจะดูมองซ้ายมองขวาพวกคนอื่นก็จะมีส่วนร่วมในการดูหวัวแม้แต่ดูทั้งๆที่มันไม่ศึกรออะไรไป นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าใจยังไม่มีเมตตาเพราะกลับมาที่เดิมมาไอการที่ใจไม่มีเมตตาเพราะอะไรเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมพบของจิตท่านไม่สูงพอความคิดตั้งก็แคบอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราหรือบางบางอย่างดีก็พวกคล้องก็เราบงสาวกันยากอ อาการเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาในรูปของความเป็นคนเน็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องของตัวจนถึงกระเบีย د, เนเรียงร่างพรานคนอื่นปัญภูมิจิตที่ไม่เกี่ยวเกาะในรูปธรรมรูปธรรมทั่วไปคือรูปเสียงกิริสัมผัสหรือรูปธรรมคือผลทางจิตที่ท่านเรียกว่ารูปชาติเนี่ยมันเป็นการประสานสัมผั์กันระหว่างภูมิธรรมภูมิจิต แล้วก็พบคือที่อยู่ของจิตคนธรรมะ ส, ส่วนใหญ่มันก็แบบไตลลำดับไปเรื่อยๆอย่างนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าตัดพวกเหล่านี้ได้ในการตัดได้เนี่ยมันตัดเด็ดขาดไปมาความหลุดรอดจากสังสารทุกข์จริงๆ มันขึ้นอยู่การมองเราจึงพบว่าตอนที่พระเจ้าจะประกาศธรรมะที่พระองค์สัส ร, รูุและตรวจสอบดูคนเนท่านอาลาดาบดก า, า, ร, กดารามโครุทกดาวบดรามบุตรอดีตพระอาจารย์ทั้งสองนั้นที่จริงแล้วเนี่ยท่านก็ได้รูปปัจจานารูปปัจจานถ้าถามมาในแง่กิเลสเป็นอะไรก็เป็นรูปประราคะอารู ป, ปราคะคือความกำหนัดในรูปปัจจานความกำหนัดในอารูปปัจจาน ที่พูดนี้หมายถึงว่าการเรียงธรรมะตามลนดับอย่างนี้แต่ธรรมะเหล่านี้เขากระโดดออกไปอยู่ข้อเดียวนะฮะ่รู ป, ปราคะก็หมายถึงรูปธรรม ท, ทั่วๆไปด้วยรู ป, ปราคะก็หมายถึงความสุขความปีติความส ง, งบก็เรียกว่าสุขเวทนาที่เราสัมผัสทางใจตลอดถึงความปลื้มใจความดีใจความเพลิดเพลินที่ปรากฏอยู่ภายในใจ าการมองยิงต้องมององค์ธรรมว่าวางอยู่ตรงไหนถ้าก็วางเรียงมาอย่างนี้ก็จะมีลักษณะอย่างที่กล่าวก็แสดงว่าท่าน阿าดาวด์กาลามโคโุทกดาบด์รามบุตรนั้นภูมิธรรมท่านก็สูงภูมิจิตท่านก็สูงพบถ้าหากว่าท่านตายไปถ้าก็บังเกิดเป็นพรหมคือเป็นอรูปพรหม ก็เรียกว่ากิเลสไม่วอแวร์อะไรท่านน่ะมันส ง, งบอยู่ภายในแบบตะกอนอนค้นภาชนะแต่พอนี่มันเสื่อมคือมันหมดมันหมดได้ใกล้ๆกับรับมรดกเอาไว้แล้วก็ไม่มีการทำเพิ่มเติมมันก็ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็หมดไปได้เพราะมันหมุนบนก็ถูกสังสารวัฏได้พอมองจากแนวการดับซึ่งเป็นนิพพานเนี่ย ทานเจ้าจึงรับสั่งถึงอาจารย์ทั้งสองว่าประสบความสูญเสียอย่างรุนแรงมากหมายความใช่อีกหน่อยเดียวใช่อีกสิห้าวันหรือว่าสิบหกวันท่านเหล่านี้ฟังธรรมเพียงนิดหน่อยแต่นั่นเองก็จะบรรลุมรรคผลไปได้เพราะตรงนี้ท่านจึงท่านทั้งหลายจะมองเห็นอีกจุดหนึ่งคือสิ่งที่เราเรียวกว่าเทียปุตต ม, มันมัจจุมาน คือความตายที่มาตัดรอนชีวิตว่าอยู่อีกวันเดียวเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกมากแต่มันก็ตายซะก่อนพอตายซะก่อนแล้วมันเป็นปัญหาระดับสังสารวัฏแล้วพรอาการหมุนวนียนสังสารวัฏ ต, ต่อไปเนี่ยมันจะเจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแล้วก็นานแสนนานได้เกินเพราะนันเมื่อเมื่อเรามองตามระดับของเราพอเราเป็นสาสามันจนเรามองพวกนี้ก็ดีหมด ดีไปโดยลําดับแต่เป็นการดีระดับสวรรค์ระดับมนุษย์ระดับสวรรค์ระดับพรุงแต่ไม่ใช่เป็นการดีระดับมรรคผลนิพพานในขณะที่มรรคผลนิพพานเป็นปเรื่องไกลยากที่จะตัดได้เด็ดขาดในการปฏิบัติจึงมุ่งเสริมพวกปิติพวกสุขพวกสงบไปโดยลําดับ พอถ้าทำได้มาความมาภูมิทำเราก็สูงขึ้นภูมิจิตสูงขึ้นพบที่อยู่ของจิตก็จะเยือกเย็นมากยิ่งขึ้ น, นเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันแม้จะมีอารมณ์กระทบอย่างปกติแต่ถ้าไม่แรงเกินไปความอ่อนไหวก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็แก้ไขได้ง่ายมากขึ้นต่อจากนี้ไยก็ขอให้ตั้งใจทําความสุบสุขต่อไป